เวลาเราทำเองเนี่ยเรารู้สึกดีแต่คนอื่นทำเหมือนเรานะเรากลับรู้สึกแย่นะอันนี้ก็มีคอยอธิบายนะว่าเวลาเราเปิดทางให้รถเลนซ้ายเนี่ยเข้ามาอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจของเราเองนะมันเป็นเจตนาของเรา เราเป็นคนเลือกเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงไม่รู้สึกแย่ yeah. ถึงแม้ว่าการทำฉะนั้นจะทำให้เรารอนานขึ้นไปได้ช้านะกว่าเดิมนะอีกอย่างหนึง่งรถคันที่เขาเอามาเบียดแล้วก็เข้ามาอยู่ในเลนเราเพราะเราเปิดทางให้เขาเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะยิ้มให้ สสดงการขอบคุณนะเราก็เลยพลอยสบายใจเพราะอันนี้เหมือนกับเป็นรางวัลรางวัลที่เราได้มีเมตตาได้ทาความดีแต่ถ้าเกิดคนอื่นเนี่ยที่อยู่ข้างหน้าเราทำอย่างนั้นบ้างเนี่ยนะมันทำให้เรารอนานขึ้นทำให้เราไปได้ช้าขึ้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดจากการตัดสินใจของเรา นะแต่เป็นเพราะอยู่ในสภาพจำยอมนะขาเดียวกันรถคันที่เข า, าแซงนะแล้วเข้ามาอยู่ในเลนของเราเวลาเขาขอบคุณ้าไม่ได้ขอบคุณเรานะเขาขอบคุณรถข้างหน้าเรานะที่เขาเปิดทางให้พูดง่ายคือว่าเรารอรถ เราต้องรอนานขึ้นแต่เราไม่ได้รับรางวัลนะอันนี้แหละคือเพราผว่าทำไมนะเวลาเราทำเรารู้สึกดีแต่เวลาคนอื่นทำเหมือนเราเรารู้สึกแย่นะนะอันนี้ก็ใช้ได้กับเวลาเราเข้าคิวนะถ้ามีคนมาขอนะ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 แต่ถ้าคนอื่นคนอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเปิดช่องให้อีกคนมาแซงเนี่ยนะเราจะไม่พอใจทั้งคนแซงแล้วคนที่ยอมหลืออนุ ญ, ญาตให้มาแซงถาว่ามาละเมิดสิทธิของเรามาเอาเปรียบเราเไม่เขาท่าเลยนะใจดีแบบไม่มีกาลเทศะเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้นี่มันก็น่าพิจารณานนะแง่คิดอันหนึ่งก็คือว่า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 เวลาเดินธรรมยาตราเนี่ยนะเดินตากแดดหลายคนนะไม่เคยเดินแต่พอเดินตากแดดแล้วเนี่ยเขารู้สึกไหวแต่ถ้าไม่ได้ตามที่เขาถูกบังคับให้ต้องเดินเนี่ยเขาจะมีความทุกข์ทรมานมากพอเดินธรรมย่าตราแล้วบางทีนะก็ถอดรองเท้านะคนที่สมัครใจถอดรองเท้านะเจ็บนะ พื้นมันก็ร้อนทางมันก็มีกรวดมีหินแต่หลายคนเนี่ยนะจะทนไหวแต่ถ้าไม่ได้ก็ตามนะมันมีข้อบังคับว่าคนที่มาเดินธรรมยาตาทุกคนต้องถอดรองเท้านะอันนี้เป็นเรื่องแล้วเจอความทุกข์แบบเดียวกันนะแต่เราทนไหวถ้าเราเลือกที่จะทำเราสมัครใจทำเอง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 เราก็จะทนไม่ค่อยไหวนะคราวนี้คนที่แนะนําเรื่องนี้เนี่ยคนที่อธิบายเรื่องนี้เขาก็แนะนําต่อไปนะว่าเวลาคนอื่นนะเขายอมให้ไอ้รถเลนซ้ายเนี่ยมาแซงเพื่อได้มาอยู่ในเลนเดีวกว่าเขาเนี่ยเจ้าเกิดเราอยู่ข้างหลังเนี่ยนะเมื่อใ่ก็ตามที่เรารู้สึกไม่สบายใจรู้สึกคุนเครื่องว่าถูกเอาเปรียบเนี่ยก็ลองนะ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 อันนี้ก็เป็นเป็นข้อแนะนำที่ดีมากนะเพราะในเมื่อเราต้องร อ, อนานขึ้นนะแล้วเราจะไปซ้ำเติมตัวเองทำไมนะซ้ำเติมตัวเองด้วยความรู้สึกขุนเคืองว่าถูกเอาเปรียบหรือว่าโมโหคนที่เปิดทางให้รถข่ข้างหน้าว่ามีน้ำใจนะแบบไม่รู้จักกาลเทศะเนี่ยไอ้คิดแบบนี้มัน ทุกนะเราทุกเองแต่ถ้าเรามองเออนะเขากำลังทำสิ่งที่ดีๆนะอันนี้เรียกว่าเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งนะการยินดีในความดีที่ผู้อื่นได้ทำเนี่ยปัตตานุมโมทนาใหม่ไม่ว่าเขาจะทำดีในรูปแบบใดเช่นใส่บาตรถวายสังฆทานนะหรือว่ามีความเอื้อเฟื้อผู้อื่นหรือว่า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 เขากำลังดีเกินหน้าเกินตาเราไอตัวมานะมันไม่ยอมมานะนี่มันอยากจะดีอยากจะเด่นเหนือคนอื่นถ้ามีคนเด่นกว่าเราดีกว่าเราเนี่ยนะกิเลสข้างในมันไม่ชอบแล้วอันนี้เขาเรียก e อีโกอัตตาอันนี้เราก็ต้องระวังนะบางทีคนทําดีเราไม่ชอบทั้งที่ถ้าเราทําอย่างนั้นบ้างเรากำลังมีความสุขนะอ่าเราก็เตรียมรับ